ตามคุณภาพของจิตที่ค่อยขยบตัวตด้วยความมีคุณค่าขึ้นไปโดยลำดับเช่นเดียวกันหากจิตไม่รับการอบรมอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏภายในตัวเองเลยกี่ก็ต้องคว้านุ่นคว้านี้เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครความรู้สูงต่งมากน้อยนี่เป็นอะไรก็ตามจะ ต, ต้องเป็นในลักษณะเดียวกันเทราสิ่งที่พาให้เป็นอยู่กับใจ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 ในการที่จะต้องสาะแสวงหาอะไรต่ออะไรอีกนอกจากจะสาะแสวงเพื่อทำขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นหนามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไป่ะนั้นจึงต้องเรียนถามพระอาษฎรมาท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูผู้ในการของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก็ทัพชวนบริษัทปริวาณ250รคน ไปศึกษากับอบรมกับพระพุทธเจา้านี่คือได้หลักใจอันแน่นอนไปแล้วในภูมิเบื้อ ง, งต้นคือโสดาบันนี้หมายถึงเป็นผู้ได้หลักใจอจฉรษสัทธาจะยึดหลักที่เป็นความจริงได้ไม่สงสัยเป็นอจฉรศสัทธาคือความเชื่อมั่น เมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วบรรดาบริษัทบริบาลที่ไปด้วยกัน250คนพระต่างก็ได้สำเร็จนอกผลนิพพานไปด้วยกันทั้งหมดยังเหลือภาษาลิบุตรและพระโมคันลาเรากูดว่าเจ็วันพระโมคันลาไม่สาเร็จภาษาลิบุตรสิบห้าวันเพราะเป็นผู้ไข่ครวนเหตุผลภูมิกว้างให้สาเร็จ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 ใจนี้ถ้าไม่ชําระต้นเหตุไม่ชําระเรื่องแห่งความก่อควรเรื่องแห่งความท่องเที่ยวออกจากตนเสียเมื่อไรใจนี้จะเป็นกรงจักหมุนติ้วอยู่กับพบกับชาติกับความเกิดแก่เกิดตายพบน้อยพบใหญ่หมุนติ้วอยู่กับกิเลสตัณหาธรว่าพูดสรุปความแล้วลงแล้วเรียวกว่าหมุนติ้วอยู่กับทุกข์ตลอดกายหาเวลาที่จะ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 ง่ายมีดังจิปาพิญญา ท, ทุกขาปฏิปทาทันทาพิพญญาอย่างนี้เป็นต้นคือทั้งปฏิบัติลาบากทั้งรู้ได้ช้านี่คือว่าผู้ดำเนินยากลำบากไม่ได้มีมาเฉพาะครั้งเหล่านี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติยากลาบากผู้ง่ายมีมาตั้งแต่ครั้งกุตกาอยูแล้วท่านยกบุคคลไว้สี่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 ทั้งรู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหนึ่งหรือจะมีสองประเภทเรืเ่อลืมเมื่อเราสรุปความลงแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติลําบากทั้งปฏิบัติสะดวกพกิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวนั่นแก่นกิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทาด้วยความยากความลําบากให้เราจะเอา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 การพิจารณากันก็มีส่วนละเอียดเรียกว่าเบาเหมือนกับสายกบแผ่นกระดานไม่ใช้สายกบไม้ทางตน้นฟันไม้ทางตน้นถากไม้ทางตน้นกับสกับสายกบกระดานนี่มันผิดกันกระดานมันเป็นรูปสําเร็จมาแล้วเพียงสายกลบลงไปมันก็น่าดูใช้ได้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 ที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะสำหรับตัวเราอันนี้เป็นอาตายอาัอาตาอัตโนูนาาถูแท้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนไว้ยังว่าตุมเห้ติจังอาตปังอาขาตาโตถาคาตาการประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทำเอง พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นหรือผู้หยิบยื่นเครื่องมือให้เราไปทํางานเองเช่น ห, หยิบยกหยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ่าศัตรูปืนก็หมายหมายถึงศรทาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่ากิเลสสาธาบุญเพื่อฆ่ากิเลสก็มีอนนี้เราจะนําทําเหล่านี้ไปปฏิบัติ ต่อกิเลสอย่างไรนั้นเป็นอุบายความยยบคายหรือสติกําลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงครามด้วยความอาจาราพชันชัยด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราตลอถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญาจตนาความเพียรกิเหลสก็ทับถมเราเราก็แพ้ถ้าเรามีความ อาถารฉลาดทานไทยของแขวแก้วกล้าด้วยสติปัญญาแหลมผมก็สามารถจะทำลายกองกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนั้นให้ราบไปได้ไทยชนะก็ เ, เป็นของเราเรื่องมีอยู่เท่านี้แต่ละคนละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองอยิ่งวาระสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้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 ต่อเราโดยเฉพาะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึงตนเองด้วยสติปัญญากรัทธาความเพียรของเรามีเท่านี้ที่ผู้ที่จะเอา ช, ชนะให้จิตหลุดพ้นไปจากสิ่งจิดขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มผูก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 สติปัญญาที่จะนำมาใช้เพื่อแย่แยะธาตุขันเหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ตวเองก็เหมือนเหมือนกันกับครั้งพุท ธ, ทธการเราจะแก้ด้วยวิธีใดสติปัญญาก็พระพุทธเจ้าทางแก้ได้ด้วยพระสติปัญญา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 ที่จะนำมาคาจัดสิ่งที่เป็นขาวสกดังที่พระองค์ได้เคยกําจัดมาแล้วทําไมเราจะกําจัดไม่ได้นามของคําว่าพุทธบริษัทจะหมายถึงใครถ้าหมายถึงเราที่เป็นชาวพุทธและปฏิบัติตามพระองค์อยู่เวลานี้พระเทวีกล้าเข้าสู่สงครามแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งกองทุกข์ในธาตุในขันธ์ทั้งกองทุกข์ของกิเลตที่รู้ความรู้เท่ามาถึงการนี่มันก็มีอยู่กับเรา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 ยังสาภาวะตามหลักคำตางสอนมวอเจ้าแล้วมารบกับกิเลสยังจะแพ้กิเลสอีกแล้วก็ขายหน้าครูนอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าครูพระตทาคตคือผู้แกล้าสามารถผู้อาจสารผู้ชนะในส ง, สงครามอันใหญ่หลวงได้แกส่สงครามแห่งวัฏจักรทรงสลาดปัดทิ้งทำลายโคงจักรแห่งวัฏจักร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 ศรัทธาความเปลี่ยนของเราเราจะเอาอะไรไปเพื่อคเพื่อชัยชนะมีสติปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื้อมนำชัยชนะมาสู่เราได้ส่วนโค้ความโง่ขาาว่าปัญญามีมากเพียงใดก็เป็นกลุ่มของกิเลสที่จะมารุมจิตกลุ่มใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แพ้ไปตลอดสาย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 เราพอจะเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมคุณค่าแห่งธรรมกับเรื่องของกิเลสผิดกันมากน้อยแคไหนนี่เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิงย่งแล้วที่เราจะาคร่รวๆเลือกเฟ็นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นภัยอย่างถึงใจสิ่งที่เป็นคุณก็ให้ถึงใจด้วยความเป็นคุณแล้วพยายามบำเพ็ญพยายามต่อสู้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 คำว่าสกุลศักดิ์แต่ว่าเท่านั้นพอก้าวเข้ามาสู่ความเป็นลูกสิทตาถาคนแล้วมีแต่ตั้งหน้าสู้โดยถ่ายเยียวเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายปา่าช้าล้มลงที่ไหนเป็นป่าช้าที่ไหนก่อนที่จะลม้มลงไปเป็นปา่าช้าขอให้ได้ชัยชนะในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมจะก่อนได้เป็นผู้ครองมหาสมบัติภายในใจิตใจนี่เป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งของพระสาวกเพราะฉะนั้น จึงได้เป็นสังขังสนันกระชานนีของพวกเราด้วยความสู้เพื่อออาชัชนะอย่างไม่หมายปลายทานี่ทางนี่คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผู้จะไม่มาก่อพบขกชาเก่ อ, อความทุกข์ความทรมานแก่ตนต่อไปให้ยืดยาวนา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 สาวกอราหาัตรหารทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใดวิธีการอันนั้นก็ได้มาสอนพวกเราให้ได้อ่านได้ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขนาดนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสดาและสาวกท่านนึนึงอยู่แล้วทำไมจะแก้กิเลสไม่ได้ก็มีอยู่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 คือที่ไหนที่เผาศพของกิเลสคืออะไรเครื่องเผาเสร็พศพของกิเลสคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญาตัฏธาความเพียปรป่าช่างกิเลสที่ไหนกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนป่าท่างมันก็อยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ที่ใจเผากันที่ใจนั่นเนี่ยคิดหายไปที่ใจคิดหายเพด้วยปัญญาตะปะธรรมเนี่ยแปล ว, ว่าไฟเผากิเลสตะปะคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิเลส เขาพิจารณ์รุ่มรุ่ร้อนจนตายไปดยูที่ใจเนี่ยที่ว่าพระนิพพานนั้นกลังวานอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เปิดความกลางวานนั้นสิ่งที่ปกปิดกบาบังความกลางวานนั้นออกอย่างเต็มที่เต็มฐานเท้านั้นความกลางวานจึงแสดงตัวออกมาไม่ได้ความกลางวาน ของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสาวัอุปาทิเสสันิผ า, า น, นีกลางวันทั่วแดนโล ก, กทาหาที่กำหนดกฎเกียนหาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมุติอะไรที่จะมากีดกัน้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าทำเหนือโลกเหนือขอบเหนือเขตของสมมุตินยมใดทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละ จากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดมาทำบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย้งกันสิ่งที่มาแย้งก็ได้แก่สมมุติได้แก่กิเลสเท่านั้นที่จะมาแย้งมาเกิดรบหรือมาเกิดค่าสึกกันเมื่อค่าสึกหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแย้งแต่ว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหายูอย่างอิสระอย่างสบายสบายไม่มีอะ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 แห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความพึงใจจึงขอวิจิการแสดงแพ่ยงเท่านั้